ก็จเจริญพรเพราะเราทุกคนเนาะในสักพูนนี้เราสวด น, นะบทเรียกว่าพาลาหาเวนะปัญจัคันทานะคือบอกขันทั้งห้าอ่านะมันเป็นของหนักขันทั้งห้าก็จะว่ายง่ายก็คือชีวิตนะชีวิตเราที่ประกอบด้วยกายกับใจนี่แหละนะมันะคือของหนักนอะ่งนะ มันหนักเพราะเราแบกนะแต่การมีชีวิตเนี่ยถ้าเราดูเท่าทันเราไม่ไปแบกน่ะมันจะไม่หนักนเหมือนกับคล้ายคล้ายพัดลมมันตั้งอยู่กับที่เนี่ยถ้าเราใช้มันถูกเราก็แค่เปิดนะมันจะไม่หนักแต่ถ้าเราไปแบกเขาด้วยเปิดเขาด้วยมันจะหนักนคืออย่างร่างกายเราเนาะถ้ามันปกติดีเนาะร่างกายถ้าเราปกตินะถ้าเราแบกของหนัก ใช่ไหมมันเกินกําลังที่เรายกไหวนะมันก็จะทิ้งหรือร่างกายเราปกติวเวลาจับไปถูกน้ําร้อนถูกของร้อนเราจะรีบชักมือหนีหรือเราไปถูกของแหลมของมีคมเราจะเราจะรีบประกลับมานี่คือถ้าร่างกายเราปกติเนาะมันก็จะเป็นอัตโนมัติเลยพอพอมันหนักหรือพอมันร้อนหรือพอมันเจ็บนะมันก็จะชักกลับมา จิตใจนะจิตใจถ้าปกติก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะจิตใจถ้าปกตินะเวลาไปเจออารมณ์ที่ร้อนนะมันก็จะมันก็จะกลับมานะ่ะเจออารมณ์ที่ไม่ปกติมันก็จะกลับมาแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกจิตใจนะนะจิตใจเนี่ยมันจะมันจะดุดออกเองไม่ได้เลยนะมันจะรู้สึกว่าพอ พอเจออารมณ์ที่ชอบหรือที่ไม่ชอบนะเราก็จะแบกไวนะ์เราก็จะออกออกไม่ได้นะมันจะ อ, ออกยากมากถ้าเราไม่เคยฝึกนะแต่ถ้าคนที่เคยฝึกแล้วมันจะเห็นว่าโอ้ตอนนี้จิตมันจิตมันร้อนนะ่จิตมันทุกขนะ์มันก็จะสลัดออกของมันเองนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วนะ ของหนักอืนอ่นๆก็ไม่แบกขึ้นมาอีกคือท่านเห็นว่าการไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเนี่ยนะมันทำให้เกิดเป็นความทุกข์นะนะอันนี้คือมันเห็นก็เลยไม่ไปแบกนะ น, นี้คือนั่นสิ่งสำคัญจริงๆคือเราจะทำอย่างไรอะให้เราเห็นแล้วไม่หลงไปแบกนะ เพราะถ้าเราไม่เห็นนะมันก็จะหลงไปแบกนะแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะแบกแบบไม่รู้ตัวหรือบางคนเริ่มรู้ตัวแล้วว่าแบกหรือว่าทุกข์แต่ก็เอาออกไม่ได้มีมีหลายคนนะปฏิบัติทำใหม่เขาก็สงสัยปฏิบัติทำทํใหมนะ่เขาก็รู้สึกว่าบางทีชีวิตเขาก็ก็มีความสุขดีนะหลายคนที่ ชีวิตทําโลกไม่ค่อยมีปัญหานะเขาก็รู้สึกชีวิตมีความสุขดีปฏิบัติธรรมทาไมปฏิบัติธรรมจาเป็นด้วยหรออะไรปรนะมาณนี้แต่พอปฏิบัติธรรมไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเห็นว่าอ๋อที่จริงชีวิตที่มันที่เราคิดว่ามันปกติดีหรือมันมันไม่ทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราคล้ายๆเรามองข้ามมันไปนะเราหรือเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะ เรามีความสามารถในการเปลี่ยนชีวิตคนที่มีมีความพร้อมนะหรือว่าร่างกายแข็งแรงเนี่ยเราจะไม่ค่อยทนทุกข์หรอกเวลาใจมันเบือ่อใจมันอยากเราก็รีบสนองมันนะเราเบือ่อเราก็รีบเปลี่ยนให้มันไม่หายเบือ่อหรือเราอยากนะเราอยากกินเราก็รีบไปหากินให้มันหายให้มันหายอยากนะเราอยากดูเราก็ไปหาดูให้มันหายนะ คือถ้าคนปกตินะคนปกติที่มีความพร้อมก็จะใช้วิธีเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าแก้นะัในคการสนองเขาเราก็จะเรียนรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยทุกข์เพราะว่าเรามีความสามารถมีเงินมีอะไรต่างๆต่อเมื่อมันไม่สามารถที่จะได้อย่างที่เราต้องการนั่นแหละเราถึงจะรู้สึกว่ามั น, มนทุกข์นะรู้สึกถึงว่ามันไม่ค่อยพอใจลล้วนะอันนี้นะ แต่ถ้าเราดูดีๆบางทีอ๋อที่จริงเรากินข้าวนะี่ก็คือแก้ทุกนะอย่างร่างกายมันหิวนะี่เรากินข้าวก็เพื่อให้มันหายทุกกายนะแต่บางทีบางคนก็ลงประเด็นนะกินข้าวเพื่อความอร่อยกินเราคิดว่าเราไปกินเนะี่ยเราต้องเลือกรสชาติที่อร่อยนะหรือของที่ถูกใจชอบใจ แต่จริงประเด็นจริงๆคือกินข้าวเพื่อหายหิวเพื่อ <c oughs> หายทุกข์ <c oughs> หรือบางทีของบางอย่างเรากินมากเกินไปมันก็กลับเป็นทุกข์ด้วยซ้ำใช่มเหมือนกับเรามีบางทีเราก็มีของใช้ต่างๆนะเพื่อเพื่อแก้ทุกข์นะัที่จริงมีเสื้อผ้าเพื่อแก้หนาว <c oughs> เพื่อป้องกันแดดลมหรือว่ายุงต่างๆมากัดนะเรามีบ้านก็เพื่อให้มีที่หลบ ฝนหลบแดดมีที่พักผ่อนแต่บางคนพอเข้าใจผิดนะพอมันมีเยอะเกินไปนะกลายเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าต้องรักษาปุ๊บว่าต้องดูแลใช่ไห ม, มแต่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่มีใครบอกได้ว่าต้องมีเท่าไหร่ถึงจะพอดีเพราะที่จริงความพอดีจริงๆคือความพอใจฮะเช่นเรามีเท่านี้เราพอใจแค่นี้นะก็คือมันพอดีละอ่า หรือเรามีมากแล้วเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนมันก็คือความพอดีของเรานั้นความพอดีแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ชีวิตเนาะยังมีสติเราจะรู้จักเห็นเห็นอะไรที่มันทุกข์เราก็จะวามมันได้เห็นอะไรที่มัน เป็นกิเลสเกิดขึ้นมาเราก็จะวาง ม, มันได้นะแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขง่ายขึ้นความสุขง่ายๆเนะี่ยมันหลายอย่างนะอ่หลายอย่างมากเช่นเราพูดดีกับคนไข้พูดดีกับคนอื่นเนะี่ยมันก็มีความสุขนะเวลาจิตเราพูดดีนะจิตเราคิดดีเนะี่ยจิตมันมีความสุข มีการวิจัยเอาเอาน้ำแล้วก็ให้คนพูดคำเพราะๆนะโมเลกุลของน้ำก็สวยนะเวลาเอาน้ำแล้วก็ให้คนพูดคำดา่าพูดคำหยาบคายโมเลกุลของน้ำก็ไม่สวยก็แตกสลายร่างกายเราก็มีน้ำประมาณสามในสี่ใช่ไห ม, มคิดดูสิเวลาเราพูดไม่ค่อยดีออกไปนะ มันก็ะท้อนเข้ามาสู่ร่างกายเรานะร่างกายมันก็ไม่ค่อยสบายนะจิตใจก็ไม่สบายแต่ถ้าเราพูดดีนะร่างกายมันก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขอันนี้คือนี่เรียกว่าการทำดีเนา ะ, ะการทำดีแต่จริงทำดีแล้วมันดีทำดีแล้ ว, ม, ลวมันมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องรอว่าจะต้องได้ดีนะบางทีชาวพุทธบางคน ผิดหวังหรือว่าตั้งคำถามสงสัยทำไมเราทำดีแล้วต้องมีปัญหาด้วยเราทำดีแล้วทาไมมันไม่เห็นได้ดีเลยทำไมคนอื่นได้ดีกว่าเราเนี่นะเพราะเราไม่เข้าใจว่าที่จริงทำดีก็เพื่อดีไม่ใช่ทำดีเพื่อหวังเพื่อหวังจะต้องไม่เจอกับปัญหาหือว่า เพือหวังว่าจะต้องเรียกว่ามีแต่ความสุขคนะือที่จริงทําดีก็ดีละนะแต่ปัญหาเนี่ยมันเป็นของคู่โรคนะคนทําดีขนาดไหนก็มีปัญหาอยู่ปัญหาที่ชัดเจนคือร่างกายใช่มเหมืนเราอยู่ในแวดวงกระสินแล้ะจะเป็นคนดีคนเลวหนุ่มแกขนาดไหนนะก็หนีไม่พ้นวันใดวันหนึ่งก็ต้องป่วยนะ นี่คือปัญหานะถ้าเรียกว่าปัญหาทางร่างกายคือสุขภาพไม่ดีน่ะมันก็เป็นกันทุกคนะเราเป็นหมอเป็นพยาบาลก็เป็นได้เป็นพระก็เป็นได้เป็นใครก็เป็นได้นี่ร่างกายก็แสดงชัดเจนเลยว่ามันเป็นได้ทุกคนเนี่ยทางโลกก็เหมือนกันนะอย่างพระพุทธเจ้านาะถ้าจะว่าเป็นปัญหาก็มีเยอะนะเพราะท่านต้องดูแลคณะสงฆ์ทั้งหมดเนี่ย คณะสงฆ์ประพฤติไม่ดีเนะี่ยท่านก็ต้องก็ต้องจัดการก็ต้องตัดสินนะหรือบางคนนัที่อื่นพอพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้ท่านสอนธรรมะก็มีคนเสียผลประโยชน์นะมีคนเลิกศรทัทธาและที่อื่นมาศรัทธาพระพุทธเจ้าแทนเขาก็ไม่พอใจนะเขาก็ดา่าเขาก็อยากฆ่าท่านก็มีเนะีนะ่ยขนาดคนดีที่สุดในโลกนะอย่างพระพุทธเจ้านะ ก็หนีไม่พ้นการด่าหนีไม่พ้นคนตามฆ่าโอ้คิดดูสินะเนไม่มีใครหนีพ้นแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องโลกก ร, รนะทำโลกกระทำคือโลกมันก็มีแบบนี้แหละมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียมีได้ราบบ้างได้เสียราบบ้างเสียยศบ้างนะ อันนี้คือมันเป็นธรรมดาถ้ามองเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามองเป็นเรื่องธรรมดาเนะี่ยมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเรามองเป็นเรื่องทําไมนะมันจะทุกข์มันจะทุกข์นะจกใจนะเราจะทํายังไงเราถึงจะมองแบบนั้นได้โยมเราต้องมีสติแหละเราต้องฝึกนะอธิมายกตัวอย่างส่วนใหญ่เอาชีวิตเอาแบบคร่าวๆนะมันจะมีสามตัวโยม อันนี้ใจใจเราอยู่ตรงกลางนะอันนี้ร่างกายอีกอย่างหนึ่งคือความคิดนะความปรุงแต่งต่างๆใจเราเนะี่ยสมมุตินะถ้าเราไม่รู้ทันนะเช่นมีคนมาดา่าปุ๊บเกิดความไม่พอใจเกิดความคิดไม่ชอบคือใจเรามันไปอยู่กับความคิดใจมันอยู่กับความคิดนะความคิดเนะี่ยจะพาใจ ไปถุกไปทุกนะส่วนใหญ่ใจมักจะอยู่กับความคิดเหมือนเราเห็นคนป่วยนะที่เขาที่เขากินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับถ้าไม่รวมอาการทางกายนะส่วนใหญ่ก็คืออาการความคิดที่เราต้องให้ยานนอนหลับ <c oughs> เขาเครียดนะคือใจมันอยู่กับความคิดความกังวลความห่วงนะวิธีฝึกก็คือพยายามพาใจมาอยู่กับกายมันยังมีนะนะถ้าเราอยู่กับกายนะนะ เช่นอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับการพลิกมือก็ได้หรือเราทําอะไรก็ให้ใจอยู่กับการจะทำนั้นนั้นเรียกว่าให้ใจอยู่กับกายมีสติอยู่กับกายนะมันจะดูดออกจากความคิดใจอยู่กับกายตัวนี้แต่บางทีก็ห้ามไม่ได้นะบางทีก็จะเผลอไปคิดอีกละวิธีฝึกก็คือว่าเอาใจกลับมาอยู่กับกายแทนแล้วก็มันจะไปอยู่กับความคิดอีกละไม่เป็นไรก็กลับมาอยู่กับกายใหม่ วิธีฝึกให้มีสติขึ้นนะ่ะกายทําอะไรก็ให้ใจรับรูนะ้อยู่กับการจะทํานั้นๆด้วยให้ใจอยู่กับตรงนั้นด้วยนะกายทําอะไรก็ทําตรงนั้นนะอันนี้คือพยายามทําให้มากที่สุดแต่บางครั้งมันก็เผลอไปคิดพอเราเรียกว่ากลับมารู้สึกตัวเผลอไปคิดกลับมารู้สึกตัวนะทําอะไรก็แล้วแต่ก็กลับมารู้สึกตัว นี่คือเรียกว่าพอกายเราทําอะไรก็ให้ใจเราอยู่กับตรงนั้นตั้งใจทํานะแล้วก็ทําก็ให้มีสติในการรับรู้นะแต่รู้แบบรู้แบบเฉยๆนะแบบรู้แบบไม่ต้องคิดบางทีเช่นเรากินข้าวนะเราก็แค่รู้สึกในการตักในการเคี้ยวแต่ไม่ต้องไปพูดว่าเรากําลังกินนะ หรือไม่ต้องไปพูดว่าไอ้ น, นี้มันหวานมันเค็มนะเอะก็กินไปธรรมดาเนี่ยแหละนะไม่ต้องไปใช้ความคิดมากเดินก็เหมือนกันเดินก็แค่รู้สึกรู้สึกไม่ต้องไปพูดว่ากาลังเดินอยู่ก็ไดนะ้แต่ขนาดที่เดินให้รู้สึกตัวเหมือนลมกระทบเราอะลมถูกปุ๊บเนะี่ยไม่ต้องพูดก็ได้ก็ลมกระทบแต่มันรู้สึกได้ตอนที่มันกระทบอันนี้คือ คือการรู้สึกที่กายเนาะหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเราไปออกตอนรางกายไปวิ่งจ๊อกกิ้งไปปั่นจักรยานไปว่ายน้าไปอะไรก็แล้วแต่รู้สึกรู้สึกที่กายไปเรื่อยๆกินข้าวอาบนะ้าแปรงฟันรู้สึกที่กายพอใจระเผผ่ไปคิดนะเราก็กลับมาใหม่ถ้าเรารู้สึกที่กายบ่อยๆเราจะเห็นเลยว่าอ๋อ บางครั้งใจก็จะเผลอไปคิดใจจะเผลอไปคิดพอรู้ทันว่าใจเผลอไปคิดใจจะดูดออกจากความคิดเดี๋ยวต่อไปเราจะแยกได้ว่าที่จริงใจกับความคิดเนี่ยมันคนละอันกันแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ว่าไอ้ความคิดหรือกิเลสเนี่ยมันเป็นแค่อารมณ์หนึ่งแต่มันไม่ใช่ใจเราจริงๆนะอย่างตอนเนี้ย ถ้าเราไม่คิดกังบลที่ไหนใจเราเป็นไรไหมใจไม่เป็นไรนะใจก็ปกติเนี่ยเรียกว่าใจปกติคือแบบนะีใจปกตินะแต่ถ้าเราไม่ปกติก็คือว่าใจเราถูกความคิดครอบงาอืำถ้าเรารู้ทันว่าความคิดครอบงานะมันจะดุดมันจะดีดเละดีดปุ๊บออกมาเป็นปกตนินี่คือเมื่อเราฝึกให้เรารู้กายเราเคลื่อนไหว มีสติต่อไปเมื่อจิตมันคิดจิตมันหลงมันก็จะมีสติหลุดออกมาจากความคิดเ น, นี้ยเรียกว่าจิตเป็นปกตินะหรือใจเป็นปกติก็ได้เนี่ยเราทําแบบอะไรก็ได้นะนั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือเนะี่ยทำทุกอย่างอย่างมีสตนะิกายเคลื่อนไหวก็ให้มีสติรู้นะ ใจเผลอไปนะก็มีสติรู้นะอยู่กับโลกเนี่ยนะโยมโลกเนี่ยคือคือเครื่องมือฝึกสตินะถ้าเราหนีโลกนะมันหนีไม่พ้นหรอกนะหนีโลกก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีธรรมะนะนะเราจะไปหาที่สงบที่ไหนก็ไม่มีนะโยมอาจะมาไปอยู่ป่าลึกๆคิดว่ามันจะสงบมันก็ไม่สงบนะ ไปอยู่ในป่านะมาแมลงก็เยอะยุงก็เยอะนะหลายอย่างมันไม่สงบนะแต่อยู่กับโลกนะมันมันไม่สงบข้างนอกนะแต่เราสงบข้างในทำได้แต่จะหาที่สงบข้างนอกเสียทีเดียวเลยมันหาไม่มีหรอกนะเพราะว่าอะไรถ้าเรานั่งนิ่งสงบจริงๆนะไม้แต่ยุงบินนิดเดียวเนะี่ยเราก็ไม่สงบแล้อ่า <c oughs> หัวใจเต้นเราก็ว่ามันไม่สงบละมันมันจะราคาญแต่เราฝึกอยู่กับโลกนี่แหละนะฝึกแบบไห น, นเมื่อตาเรามองเห็นหรือว่าหูได้ยินหรือกายรับรู้นะเกิดความรู้สึกพอใจเกิดความรู้สึกไม่พอใจหรือเกิดความรู้สึกเฉยเฉยให้เรารู้ทันนะเช่นตาเรามองเห็นคน เกิดความชอบคนนี้เกิดความไม่ชอบคนนี้ให้เรารู้ทันความชอบความไม่ชอบนะหูได้ยินเสียงเขาชมชอบใจเขาว่าไม่ชอบใจมีสติรู้ทันความชอบใจและความไม่ชอบใจในใจแต่ถ้าเราไม่มีสติรู้ทันนะเราจะไปทําไมมันว่าเราเดี๋ยวถ้าเขาชมเราก็จะดีใจหลงไป แต่ถ้ามีสติรู้นะเราจะเห็นว่าเออใจมันชอบใจใจมันไม่ชอบใจมันจะเห็นว่าอ๋อเนี่ยชอบใจหรือไม่ชอบใจนี่คือการปรุงแต่งขึ้นการเห็นเนี่ยคือใจที่เห็นมันจะพ๋อเห็นว่าใจมันชอบใจเห็นว่าใจไม่ชอบใจแล้วเราจะเห็นว่าวันวันหนึ่งนะความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนบ่อยมากวันหนึ่งนะเปลี่ยนบ่อยมาก ไอคนหลายใจจริงๆคือเราเนี่ยคนหลายใจอ่ไม่ใช่คนอื่นนะเราเนะี่ยหลายใจเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ชอบใจไม่ชอบใจเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็อยากนะเดี๋ยวก็ไม่อยากนะตัวเนี้ยเปลี่ยนบ่อยมากเราเองก็เป็นเช่นนี้นะคนอื่นก็เป็นเช่นกันไม่ต่างกันเปลี่ยนแต่ว่ามันต่างกันนิดนึงถ้าเรามีสติรู้ทันนะเชะน่นเราไม่ชอบใจ เราไม่สติรู้ทันเราก็จะยั้งไม่พูดตามอารมณ์ไม่ทําตามอารมณ์ได้แต่ถ้าเขาไม่ชอบใจแล้วเขาไม่รู้ทันนะก็เลยพูดตามความไม่ชอบใจทําตามความไม่ชอบใจต่างนักแก่นี่แหละเหมือนคนป่วยยอมบางคนก็ไม่พอบใจพยาบาลเสมอนะแต่าบางคนมีสติรู้ทันเขาก็ยั้งไว้บางคนเขาขาดส ต, ติเขาก็พูดเขาก็ทําตามอารมณ์ เราเองก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมเราใจดีอยู่ตอนทํา ง, งานแต่กลับมากลับมาที่บ้านบางทีอาจจะปล่อยนะไม่ชอบใจคนในบ้านก็ทําตามควมไม่ชอบใจแอนนะมันก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันต่างกันแค่ว่าเรามีสติรู้ทันไหมถ้ามีสติรู้ทันนะมันก็ไม่ทําตามอารมณ์ถ้าตาดสติก็ทําตามอารมณ์ก็แค่นั้นแต่ ต้องเข้าใจเราตัวเองด้วยนะว่าเราก็ไม่ใช่พระอรหันต์คนในครอบครัวเราก็ไม่ใช่พระอรหันต์เพื่อนร่วมงานเราหรือคนไข้เองก็ไม่ใช่พระอรหันต์ัง น, นั้นทุกคนอาจจะเผลอได้อาจจะเผลอได้นะรวมทั้งตัวเราเองก็อาจจะเผลอได้เหมือนกันพอเช่นสมมติเราเผลอเราเผลอทำไม่ดีเราเผลอพูดไม่ดีเราเผลอคิดไม่ดีเราจะทำไงถ้าเรายอมรับ นะให้เรายอมรับว่าเมื่อกี้มันทำไปแบบนั้นจริงๆนะต้องยอมรับนะนะถ้าเราไม่ยอมรับเราจะปฏิเสธทำไมทาไมเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเราทาแบบนั้นนะยอมรับก่อนว่าเราทำผิดจริงๆนะทำผิดจริงๆทำไม่ดีจริงพอเรายอมรับแล้วคราวนี้ถ้ามันเกิดความรู้สึกเสียใจนะให้เราตามรู้ว่าใจมันเสียใจนะ ใจมันเสียใจนะมันก็จะวางได้อันนี้คือพอเราทําไม่ดีเกิดขึ้นมาเราเรามีสติรู้ความเสียใจเนะีนะ่ยคือการรู้ทันกิเลสหรือบางทีกิเลสมันก็เร็วนะโยมบางทีเราทําดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีคนชมขึ้นมาเนี่ยเราดีใจเมื่คนดีใจไม่รู้ตัวเองนะเพราะโอ้รอยชอบอันนี้ก็คือหลงพอดีใจขึ้นมาปุ๊บ เช่นมีคนชมเราขอบคุณเราเรารู้สันความดีใจความดีใจมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้นะเราก็ไม่หลงไปกับเขาหรือบางทีนักปฏิบัติธรรมโยมนะบางทีพอกิเลสมันเกิดขึ้นมาเร็วเออเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้มันเร็วนะเราจะรู้สึกดีโอ้เราเก่งขึ้นนะเราดีอันเนี้ยก็ต้องเป็นตัวที่เรารู้ทันนะอืม หรือบางทีหลงไปนานูแล้วก็เพิ่งรู้ไม่น่าเลยนะเสียใจเราก็จะเป็นหงงกับความเสียใจหรือรู้เร็วดีใจก็จะหลบกับความรู้เร็วที่จริงมันเป็นจิตนะมันเป็นแบบอารมณ์เหมือน น, นิ้วฮัโยมันไปเรื่อยเลยนะจีล้จีลกขณะจีลกขณะจิตเช่นสมมตินะเสียงเช่นเสียงจากคนอื่นนะ เสียงเกิดขึ้นมาแล้วกระทบปุ๊บกระทบหูเกิดความไม่ชอบใจเกิดความไม่ชอบใจถ้าเรามีสติจะเห็นแล้วเราไม่มีสติมันจะต่อไปคิดอีกหลายอย่างเลยขาดไปยาวลุงไปยาวแต่ ถ, ถ้ามีสตินะเราจะเห็นเหมือนแทรกขึ้นมาปุ๊บอ๋อเห็นแล้วใจมันไม่ชอบใจพอเห็นใจไม่ชอบใจนะมันก็จะอาจจะรู้สึกบนปกตินิดนึง แล้วก็เกิดความรู้สึกเสียใจที่ไม่น่าลงเลยถ้าเรารู้ทันเราก็มีสติแจกงมันก็จะจบแบบนะั้นะแต่ถ้าใครเห็นเดียวก็ตั้งแต่เสียงกระทบปุ๊บสักแต่ว่าไม่ปุ่มต่อก็ได้อันะะนี้คือมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกแล้วบางทีมันก็เอาแน่นนอนไม่ได้เโย่บางทีก็เด็วบางทีก็ช้าบางทีก็ก็อารมณ์ รู้ทันได้เร็วบางทีก็รู้ทันได้ช้าแต่ก็ช่่มของมันเพราะว่าสิ่งที่เราทําได้จริงๆคือคือเอาแค่ตอนเนี้ยนะนะถ้ารู้ใจไม่ได้ก็ไม่ผิดนะรู้กายก็ได้รู้กายไปก่อ น, นรู้กายไปก่อนหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวนะทำต่างๆรู้สึกตัวไปเลย แล้วต่อไปมันจะเห็นความคิดมันแทรกออกมาเองเห็นแทรกเห็นแทรกนะนะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็รู้กายไปแต่ถ้ามีสติเรื่อยเมันจะเห็นว่าโอ๋อเดี๋ยวใจก็รู้กายเดี๋ยวใจก็รู้ใจนะ เ, เดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยก็รู้ใจสลับไปเรื่อยเรื่อยวันวั น, นึงก็จะเห็นเลยว่าความคิดหรือความหลงนะมันเกิดเยอะมากนะมันจะเห็นกิเลสเกิดขึ้นเยอะนะ ถ้าปฏิบัติธรรมถูกทางนะจะเห็นกิเลสเกิดขึ้นเยอะแต่พอกิเลสเกิดขึ้นเยอะพอสติมันเห็นมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นปกติตอนที่รู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นเป็นปกตินะ่คือมีสติแล้วนะแต่มันอาจจะกลับไปมีขาดสติอีกไม่เป็นไรแล้วก็เปลี่ยนใหม่การปฏิบททัติธรรมคือการเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนบ่อยๆนะมันจะต่อไปมันจะเป็นเรียกว่าอะไร เป็นอัตโนมัติเยอะเหมือนนักกีฬานะทำไมเขาซ้อมท่าบ่อยๆคือเพื่อให้แบบให้แบบตอนมันทำได้เร็วะนะแม้บางทีมันคิดไม่ทันนะแต่ร่างกายปฏิกิริยาแบบปุ๊บทันทีเลย <c ười> คือพอมันชินมันเปลี่ยนปุ๊บเนะพราะที่จริงการปฏิบัติธรรมเราจะใช้ความคิดน้อยที่สุดนะมันจะเป็นตั้งแต เพียงแค่เห็นแล้วก็เปลี่ยนการปฏิบัติธรรมหรือธรรมะจริงๆมันคิดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยแล้วก็พยายามเปลี่ยนด้วยเหตุด้วยผลบางทีมันไม่ได้เหมือนเราก็รู้ว่าโกรธมันไม่ดีนะทุกมันไม่ดีนะทําไมมันไม่ออกซัทีบางทีเราก็คิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยการสอนมันไม่ออกแต่เมื่อเราฝึกให้เห็นว่า ดุดปุ๊บดุดปุ๊บดุดนะมันจะดุดแต่ก่อนเป็นแบบนิยอมมันไม่ดุดมันจับพอเรารู้ทันมันค่อยดุดแต่ก่อนมันจับแบบนี้จับปุ๊บดุดต่อไปมันจะเหมือนปุ๊บกระแทกแล้วก็ดุกระแทกแล้วก็หดุต่อไปมันเหมือนแต่นิดนึงแล้วก็หดุต่อไปมันเหมือนแบบนี้แค่กระเพื่อมแค่กระเพื่อมมันก็จะกลับกระเพื่อมมันก็ตัด นะฝึกวันน่ะต่อไปมันก็แค่ดู it. อันนี้ก็เปลี่ยนไปก็ชั่งมันอันนี้ด like ูไปนะมันจะเป็นแบบนี้คือก็ค่อยๆฝึกไปเนาะก็มันอาจจะฟังหม่ไม่มันก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครธรรมดาหรือบางคนเคยฝึกมาบ้างก็จะฟังเข้าใจแต่ก็รู้ตัวว่ายังทำไม่ได้ทั้งหมด ก็ก็ดีแล้วนะก็ดีแล้วเพราะว่ามันต้องใส่เวลาในการฝึกแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะทำได้ก็รู้ว่าทำได้ทำไม่ได้ก็รู้ว่าจะต้องทำต่อไปอ่ <c oughs> จริงนะมันก็เป็นแบบนั้นนะถ้าเราไม่ท้อไม่ถอยล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะมันจะเห็นนะมันก็จะเห็นมาเรื่อยๆแหละนะก็ทำไปทุกวันอะ ก็ไม่ใช่ว่าจะทําเพื่อเอาดีเอาอะไรหรอกแต่ทําเพื่อเนี่ยที่เราเห็นว่าอันนี้มันแบกบนะกายมันแบกของหนักมันก็ทิ้งใจมันแบกของหนักมันก็จะทิ้งเราจะเห็นอที่จริงปฏิบัติทำเนี่ยมันเป็นทําเพื่อเพื่อการลดเพื่อการละเพื่อการสดะนะไม่ใช่ปฏิบตัติเพื่อจะเอานะ คนปฏิบัติอยากจะเอาความสุขอยากเอาความสงบอยากจะเอาบุญนะแต่ยิ่งปฏิบัติจริงๆให้เห็นกิเลสละ ก, กิเลส <c oughs> เห็นความทุกข์สลัดความทุกขนะ์เห็นความอยากละความอยากได้ในซื่อปฏิบัติมันเห็นมันจะเบาจิตปฏิบัติแล้วจิตมันเบาจิตใจมันเบาตรง น, นี้นะมันต้องลองปฏิบัติ ด, ดูนะก็นะ เดี๋ยววันนี้ก็ลองฝึกกันสักหน่อยนะฝึกปฏิบัติกันสักหน่อย